รักกับคนตัดฟืนมีเรื่องราวกล่าวขานของชาวป่าผู้ยากจนคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพตัดฟืนขายถ้าเขาเลือกเกิดได้คงจะเลือกไปเกิดเป็นคนรวยใช่ไหมคะแต่ด้วยบุญกุศลที่มีอยู่เพียงน้อยนิดเขาจึงเกิดมายากจนแต่ในความโชคร้ายก็ย่อมมีความโชคดีปะปนอยู่เขาหามันเจอคะ่ะ ก็เพียงแค่ยอมรับความทุกข์ยากขัดสนอันเป็นวิบากเดิมและก็มุง่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยการสั่งสมคุณงามความดีเท่าที่จะทำได้อย่างไม่ย่อท้อเลยค่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งศีลห้าอย่างเคร่งครัดจนเทพเทวดาต่างรักและเอ็นดูชายผู้นี้ยิ่งนะัก เด็กๆรู้จักศีลห้าหรื อ, อยังคะลองไปค้นคว้าศึกษาดูนะคะว่าศีลห้าที่ทำให้คนเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์น่ะมีอะไรบ้างวันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งตัดไม้อยู่ริมลำธารด้วยความอ่อนเพลีย เขาบังเอิญทำควานหลุดมือพลัดตกจมหายลงไปในน้ำโอ้โหฝวานของข้าจมหายไปเสียแล้วจะทายังไงดีล่ะเนี่ยน้ำก็ลึกเชี่ยวซะด้วยไอเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยใครก็ได้ช่วยทีเถอดยิ่งคิดยิ่งมืดแปดด้านเห็นไหมคะคนเรา เวลาตก อ, อกตกใจมัดไม่ทันได้ตั้งสติเอาแต่คิดปรุงแต่งใบต่างๆนาน า, นาจนความหวาดกลัวเข้าครอบงำเขาจึงนั่งกอดข่าวร้องไห้ยอยู่ตรงนั้นเองสมบัติชิ้นเดียวของข้าไปเสียแล้วทีนี้ข้าจะทำมาหากินอะไรดีละ่ะข้าเป็นคนขาดเคราเบาปัญญาเสียด้วย แค่ว่ดาฟ้าดินได้ปรดเธอข้าหวังว่าอุ่นกุศลที่ทำมาทั้งหมดจะช่วยคุ้มครองข้าได้โปรดช่วยค่าดีเถิดท่านใดนั้นเทพารักผู้รักษาลำทานเกิดความเอ็นดูสงสารชายผู้นี้ จึงแปลงกายลงมาเป็นคนหาปลาทอดแห้อยู่ใกล้ๆเดินขึ้นมาปลอบโยนด้วยความเมตตาใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะพ่อห น, น, นุ่เดี๋ยวเราจะลงไปงมขวานของท่านให้นะเอาละพอหนุ่มวานเลมนี้ใช่ของผ่านไม้โ อ, โอ้ท่านขวานดูมีราพ่าแบบนี้ คนยังค่าคงไม่มีปัญญาไปหาซื้อเมื่อใช้หรอกครับท่านเทวดาแกล้งกล่าวลองใจต่อดูด้วยรู้จักโปรกรมหรือเปล่ารู้จักแต่ชื่อครับแต่เพิ่งจะเห็นของจริงก็ตอนนี้เองครับอยากได้ไม่หรอกโอ้ต่อตามความจริงใจผมมันไม่อยากได้อยู่หรอครับแต่ผมจะไม่ตามใจมันหรอกผมเลือกความดีที่ผมเพียรสะสมไว้ดีกว่า เกือชาติหน้าจะได้ไม่เกิดมาลำบากเหมือนชาตินี้ขอท่านได้โปรดช่วย ก, กรุณางมขวาให้ผมใหม่เธอนะคราวนี้เทวดาแกล้งงมขวานเงินขึ้นมาส่งให้ค่ะใช่เร็ง น, นี้ไมหมล่โอโอ้ไม่จังว้าววับดึกเงินดวงอันนี้ไม่ใช่ของผมหน้าครับพอนมรู้จักเงินใช่ไหม อยากได้ไม่หลอกหวานเงินไมเอาหรอครับมันไม่ใช่ของผมเก็บไว้คืนเจ้าของที่ทำหายดีกว่าป่านนี้ก็คงร้องห้ที่มืปอปงแลมั้งครับอืมคุ ณ, ณธรรมเขาก็หนุมเนี่ยฉันหนึ่งไปเลยข้าจะงมให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะหวานโกโลโกโซเล็มนี้ใช่ไหมของพ่อนุมนาะ คนตัดฟืนถอนใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอกโอ้ใช่เลยครับขอขระคุณในน้ำใจของท่านเหลือเกินนี่ไงครับหวานคู่คุณบารมีของผมมันคู่ควรกับผมมากที่สุดสายผู้ยากจนก็ดีใจจนน้ำตาคลอเบา้ายกมือขึ้นไหวแล้วรับเอาหวานมากอดไว้ที่อกทันใดนั้นเทพารักในร่างของคนหาปลา กอนีระมิตรกายกลายเป็นเทวดายืนเปล่งรัศมีเรืองรองอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มผู้กําลังตกตะลึงอย่างยิ่ง ท, ท, ท่านเป็นใช่ใช่ใช่แล้วละ่ะความดีของเจ้านะสมควรแก่ขวานเงินขวานทองที่ข้าจะมอบให้แต่ก็จงอย่าประมาทนะจำเอาไว้ เงินพองนะ่ะช่วยให้ชีวิตเราสุขสบายขึ้นเพียงทั่วครั้งทั่วเขาวถ้าไม่รู้จักใช้ก็หมดไปได้แต่คุณงามความดียิ่งสะสมยิ่งเพิ่มพูนติดตามเราไปทุกคนผู้แห่งทั้งชาตินี้และชาติหนา้าเทาละ ขอให้เจ้ารักษาคุณธรรมความดีเช่นนี้ให้ได้ตลอดไปนะสาธุในเวลาต่อมาข่าวลือเรื่องของชายตัดฟืนก่อแพลสะพัดไปยังบ้านใกล้เรือนเคียงว่าไงนะควันเงินควัานทองจากเทวดาโอ้ใจใจตอนไม้ใหญ่ข้างลำถานั้นไง เฮ้ยลุงต้อกันว่าอย่างนั้นนะลุงอ๋ออยากรวยบ้างจังเลยเราเดี๋ยวคืนนี้ค่อยจะไปดูไปเราไปกันเลยไหมเฮ้ยไปกันเลยชายเพื่อนบ้านผู้ละโมบคนหนึ่งเขานึกอยากได้ขวานเงินขวานทองบ้างยังไม่ทันฟังความใดเขาก็ฉวยขวานของตนวิ่งเข้าป่าไปที่ข้างลำธาร ทำทีว่ากําลังตัดไม้แล้วก็ตั้งใจเวียงขวานลงไปในน้ำโอ๊ยขวากระชากตกน้ําไปแล้วขวานลองถามฉันด้วยนะเทวดาเอ้ยอยู่ที่ไหนช่วยทีเถิดข้าหมดเนื้อหมดตัวกับคราเนี้แหละเทพารักษ์รู้เห็นเหตุหการณ์ทั้งสิ้นแล้วจึงแกล้งแปลงกายเป็นคนหาปลาขึ้นมาสอบถามเกิดอะไรขึ้นละ่ะพอนุ่ม โอ๊ยขวานขอคาตกน้ำไปแล้วขวานทองคำาชด้วยนะท่านอย่าพูดเล่นนะอาชีพอานปลายังท่านนะ่ะมีขวานทองคำด้วยหรือมีสิเป็นสมบัติของกอคาเชียนะถ้าเป็นขวานทองคำจริงใครเขาจะกล้านามาใช้ตัดฝืนละ่ะเออเอๆเอเอเคราวนี้เขาเนึกคำแก้ต่างไม่ทันเลยชักโกรธ พูดออกไปว่าโอ้ยกลับไปเวียงแหตกปลาสเิเถอะเป็นแก่คนหาปลาไม่ใช่เทวดาสักกระน้อยแน่จริงจะช่วยคารองเรียกเทวดาหน่อยสิเทวดาครับเทวดาเทวดาในร่างคนหาปลาแกล้งเดินลงน้ําทําท่างมอยู่สักพักก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับขวานทองคาวาวับชายผู้ระโมบถึงกับตกตะลึง รีบวิ่งตลีตลานมาที่ชายน้ำโอ้ยท่านปูไอแซกมีละขวานทองคำคู่ชีพของข้าอันนี้เองเจอแล้วเจ้าหยุดอยู่ตรงนั้นแหละแล้วฟังข้านะตลอดชีวิตของเจ้ามีคุณงามความดีอะไรบ้างละ่ะข้าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาจิน หากินยังไม่สุจริตด้วยการพากขายชีวิตสัตว์ป่าพูดจาปิ้งป่อนรอกลวงชาวบา้านโกงทรัพย์สินจากคนยากจนลูกเมียก็ทิ้งความได้ทรัพย์มาก็แรกไปกับน้ำเมาคนไล้สินไล้สัตว์อย่างนี้เหรอว้าเอวดายัางข้าไม่อยากจะแปดเพื่อนด้วย แต่ที่ลงมาครั้งนี้ต้องการมาสั่งสอนให้เจ้ากับเนื้อกับตัวเสียใหม่อย่าได้หวังจะเอาขวานทองเล่มนี้เลยถึงขวานที่เจ้าเบียงตกน้ําข้าก็จะไม่งมให้ด้วยเหมือนกันว่าแล้วเทพรักก็หายวับไปกับขวานทองเหลือเพียงแต่ชายละโมบพูดถูกสั่งสอนให้รู้ว่าโลกมากมักลาบหาย ละลายไปในพริ์ตานั่งตะลึงอยู่เพียงผู้เดียวค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของคุณธรรมความซื่อสัตย์ไม่เพียงแต่มนุษย์เพืนั้นนะคะที่สรรเสริญแต่เทพเยดาฟ้าดินก็ต่างสาธุกการด้วยยิ่งในยุคสมัยนี้จะหาคนซื่อสัตย์เหมือนชายตัดฟืนในเรื่อง แทบจะไม่ได้เสียแล้วน่าเสียดายนะคะว่ายุคนี้สังคมเปลี่ยนไปค่ะผู้คนต่างแข่งขันเอาเปรียบซึ่งกันและกันเรื่องของผลประโยชน์จึงมาก่อนคุ ณ, ณธรรมแต่ใครจะไปรู้คะว่ารางวัลจากคุณงามความดีนั้นมีจริงๆค่ะเด็กๆจําไว้นะคะว่าสิ่งที่จะได้รับจากความซื่อสัตย์นั้นย่อมแน่นอนและยิ่งใหญ่กว่า ที่จะปล่อยให้ความระโมบเข้าครอบงาําจนนํามาสู่ความพินาดในที่สุดอย่าลืมนะคะสํานวนที่ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์นําไปใช้ได้จริงๆค่ะ Oh happiness is two kinds of ice cream Finding your skate y Telling the time, and happiness is learning to whistle and tying your shoe for the very first time. Happiness is playing the drum in your own school bag. Happiness is walking hand in hand, and happiness is five different crayons.